ب سم الله الرحمن الرحيم ا ل حمد لله ر ب ا ل ع ا لمن ي و به نستعين اللهم ص ل عل ى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบั์แด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัปเีตในวันนี้ทุกท่านวันนี้ครับอยู่ในโซะยูซุฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้หกอายะนะครับชื่อหัวข้อคือของหายนะครับอายะที่เจสิบเอดถึงอายะที่เจ็สิบห บางทีตั้งหัวข้อเขาจะตั้งว่ายังไงนะตั้งตามท้องเรื่องที่เขากล่าวกันตั้งชื่อหัวของหายนะครับของหา ย, ย่จริงๆไม่ได้หายนะแต่ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่นาบิยูซุปอ้างเพื่อที่จะเอาน้องชายตัวเองคือบิยมีนเนี่ยอยู่กับตัวเองทำไมต้องใช้วิธีแบบนี้ผมทวนนิดนึงนะครับในสมัยก่อนในอียิปต์เนี่ย เอ่อคือว่า<ม>กฎระเบียบการลงโทษเนี่ยมันจะต่างกับยุคสมัยอื่นคือแล้วแต่สังคมแล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่ความเชื่อในอียิปต์เนี่ยคนไม่มีสิทธิ์จะเอาคนอื่นมาเป็นทาสได้นะค่อ้านที่จะข้อข้างที่จะดีเลยแหละ ย, ยกเว้นในกรณีที่มีความผิดบางคาดีเช่นรักขโมย ถ้าสมมุติในสมัยนั้นถ้าใครขโมยของผมใช่ไหมแล้วผมจับได้ก็จะมีสิทธิ์จับตัวคนขโมยเนี่ยเอามาเป็นทาสถือว่าเป็นการชดใช้ครั้นี้ในบียูซุปเนี่ยอันนี้เราไปฟังคร่าวๆต้องการที่จะเอาน้องชายอยู่กับตัวเองจะทำยังไงล่ะเพราะตอนที่จวต้องเล่าเรื่องให้ฟัง นะครับในอายะก็อ่านอายะ ก, ก่อนหน้านี้เนี่ยนะวลามาดคารูอัลายูซุสอวายละฮีอาคอหูตอนที่พี่น้องเนี่ยเข้าเข้าเมืองอีบเข้ามาใช่ไหมนะบียูซุปก็ทำไมเอ่ยอวายละฮีอาคอหูนะก็เข้าไปหาน้องชายตัวเองคือบินเยมินกอนล่าแล้วก็บอกกับบินเยมินว่าอินนีอาณาอคูกะ ฉันคือคือพี่ของท่านเองวลาตัพตาอิสบีมาการูยะมารูนอย่าเสียใจในสิ่งที่พวกเขาเคยกระทําไว้นบียูซุฟหายไปตลอดเด็กพี่น้องระยะเวลาที่เราเคยประมาณการกันไว้เนี่ยประมาณสามสิบปีแต่แต่ตกในบอ่อจนกระทั่งมาเจอพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณกันยี่สิบกว่าปีสามิปีประมาณการไว้ ระยะเวลาเนี่ยนานแต่ว่าความเสียใจยังอยู่พ่อยังไม่ลืมพราะตอนที่พี่น้องขอบิยามีนเนี่ยเอาไปอีบด้วยเพื่อที่จะไปเอาสเสบียงเนี่ยพ่อบอกไม่อยากให้ไปเลยเพราะทําไมละ่ตะตาก่อนตอนเด็กๆ เ, เคยรับปากไว้ว่าจะดูแลน้องแล้วอยู่ซุปก็ไม่ได้กลับมาครั้งนี้จะเอาบิยามีคนสุดท้องไปอีกพ่อไม่อยากให้ไป แปลว่านบียะกรูบยังเสียใจไม่ลืมลูกหายไปคนหนึ่งสาสิบปีเสียใจไม่ลืมเช่นเดียวกันคำพูดที่นบียูซุปบอกกับบิญญามีนบิญญามีนก็ไม่ลืมเพราะในพี่น้องสิบสองคนนะพ่อเดียวกันหมดสิบสองคนแต่แม่เดียวกันมีแค่สองคนคือยูซุปกับบิญญามีนที่เหลือแม่อื่น นางมีสีแม่นะครับแม่ของนาบิยูซุปกับมิยามีนคือคอรอฮิลพ่อแม่ดว้วนการผูกพันกันมากแล้วก็พี่ชายหายไปยังเสียใจอยู่นาบิยูซุปอยากเจอกับน้องมากก็เลยตั้งเงื่อนไขกับพี่น้องว่าคาวหลังถ้าอยากได้ซะเบียงทำไมเอ่ยต้องเอาน้องคนสุดท้องมาด้วยเคยเล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วนะครับผมทวนในฝักงเอา จำเป็นจะเอาพี่เอาน้องคนสุดท้องคือบิญญามีนมาด้วยถึงจะได้สเสบียงช่ไหครั้นี้พอเอามาแล้วเนี่ยนะครับเข้าเข้ามาถึงที่อียิปต์แล้วทําไมเอ่ยอาวาเอลัยฮิอัคอหูเราไปยูซุปไปหาบิญญามีนเลยบอกว่ากอราอินนีอันนอัคูกัฉันี่แหละคือพี่ของท่านจําได้ไหมบิญญามีนดีใจมากพี่น้องเจอกันวันลลาตับตาอิสบิมาการูยะมะลูน อย่าเสียใจอย่าเศร้าใจในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเคยกระทําพวกเขาเหล่านั้นก็คือพี่น้องอีสิบคนที่เหลือเนี่ยเอายูซุปไปโยนทิ้งในบอ่อแล้วก็หายไปเลยพัดพากจากกันไม่ต้องเสียใจแล้วฉันคือยูซุปฉันอยู่ที่นี่นะครับอันนี้เล่าเล่าให้ฟังนะครับนี่ถ้าอยากได้น้องอยู่กับตัวเองทํำยังไงล่ะก็ต้องมีคดีขโมยของ จรงพี่น้องมาเด็ขโมยของหรอกตะครอนหายนาบิยูซุกวางแผนเพื่อที่จะเอาน้องมาอยู่กับตัวเองเพราะว่าคนขโมยถ้าถูกจับได้ทําไมเอ่ยต้องเ้าเรียกว่าเป็นทาสของเจ้าของทรัพย์เป็นกฎในสมัยนั้นสมัยนี้ไม่มีแล้วนะในชัยอันนบิมงมันไม่มีนะขโมยของก็จะฮูดูตัดมือจะทําอะไรก็ทําไปแต่ว่าจับมาเป็นทาสเนี่ยไม่มีแล้วนะครับอา้าวเราไปฟังคราวนี้ <c oughs> เหการในวันนี้ในอายะที่เจ็ดสิบเ็ดนะกอรูพวกเขากล่าวว่าหัว oh, อักบาลูอะไรทีมาดาตัฟไกดูนพวกเขาคือพี่น้องนายบิยูซุฟหันกลับมาแล้วก็บอกว่าอะไรที่หายไปขึ้นตนแบบนี้เดี๋ยวจะงงอายะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพี่น้องมาได้สาบเบียอกันหมดแล้วแต่ว่าซุมมาอัต ด, ดานามุอัตดินุน ก็มีผู้ประกาศว่าอายตวิรุณอินนา ก, กุมลาซาไรกูนนะทําทไมเอ่ยมีของหายมีคนประกาศว่ามีของหายพี่น้องนบิยูซุบทั้งคณะก็เลยหันกลับไปก็รูกล่าวว่าโอ้อะบารูอะไรที่มาดาตัฟไกดูนของที่หายน่ะคืออะไรอ่าเข้าใจเหตุการณ์นั่นนะขณะนี้ถ้าพี่น้องอ่านข้าวก็ จะไม่เห็นรายละเอียดแต่ถ้าพี่น้องสังเกตดีๆเนี่ยนะครับระบบการจัด ก, การในอียิปต์ที่นบียูซุฟวางไว้เนี่ยไม่ใช่แค่แจกข้าวแต่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับทําไมเอย่ยเกี่ยวกับความปลอดภัยสําคัญมากนะเพราะว่าทําไมละ่ะที่อื่นเนี่ยอดอยากกันหมดมีแค่อียิปต์ที่มีสะเบียงและอียิปต์ก็เปิดแจกสะเบียงให้กับคนที่มา จะด้วยกับการขายหรือว่าแจกฟรีกันแล้วแต่ทุกคนทุกสารทิศมุ่งหน้ามาที่อียิปต์ถ้าไปน้องไปดูในแผนที่เนี่ยนะครับเมืองที่นายไปยูซุปอยู่เนี่ยบางคนบอกว่าเป็นเมืองเมนฟิสแล้วแต่แต่ว่าวาดาดูแล้วเนี่ยมันอยู่ทางตอนเหนือของอประเทศอียิปต์ปัจจุบันทางตอนเหนือนาแล้วก็มีแม่น้ำนายไหลผ่านครงนี้แม่น้ำนายเนี่ย นะครับอันนี้เป็นการประมาณการนะมันจะยมีกุอ่านหันติสอเฮียโอเฮียแต่ว่าเราประมาณการว่ามันเกิดอะไรขึ้นในะอิบตอนนั้นแม่น้ํำนายในพี่น้องแปดมันไหลาจากข้างล่างขึ้นข้างบนถ้าแม่น้ำประเดศไทยจากโยงมายาปิงวางยมหน้าข้างบนไหลลงข้างล่างคงโค้งเนี่ยไหลมาข้างล่างหมดแต่แม่น้ำนายไหลาจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะพื้นที่มันสูงกว่าอ่านะครับเวลาที่ ถ้าอยาอียิปต์เนี mean, pause, you, means, agen, al, 哈哈哈่ยมันจะสับสนนิดนึงถ้าบอกว่าอียิปต์ตอนบนเนี่ยพ่อสไอดี้สออดีแปลว่าสูงสูงเนี่ยเวลาไปหาอียิปต์สไอดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าอียิปต์ที่อยู่ติดแม่น้ําติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่หมายถึงแผนที่อียิปต์ตอนล่างในแผนที่มันตอนล่างแต่เรียกว่าสไอดีเพราะว่าพื้นที่มันสูงพื้นที่ข้างล่างมันสูงกว่าข้างบนแม่น้ําหลายๆจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน น้ำเนี่ยมันไหลาตามตามไอความสูงนะคราวนี้ในในอียิปต์เนี่นาแอฟริกาเนี่ยข้างล่างสูงกว่าข้างบนฉะนั้นมันไหลาจากข้างล่างผ่านซูดานผ่านเอธิโอเปียผ่านผ่านแล้วก็ไปผ่านอียิปต์อียิปนตะ์ในที่สุดท้ายเลยแล้วก็ไปลงที่เมดิเตอร์เรเนียนเวลาเึิ่งบออียิปต์ตอนบนเนี่ยในแผนที่มาที่ตอนล่างมันจะสลับกันตอนบนที่นี้นี่คือที่ที่มันสูงคราว น, นี้ถ้าเราบอกว่ามีความแห้งแล้งเกิดขึ้นในสมัยนาบียูซุฟเนี่ย อันนี้นักประติศาสต์เป็นการประมาณการกันหมดเลยนะครับมองว่าถ้าเกิดกับแม่น้ำไนน์เนี่ยแปลว่าเกิดทั้งสายเวลาเราพูดถึงประเทศอียิปต์เนี่ยดินแดนรูมแม่น้ำไนน์จริงๆแม่น้ำไนนไม่ได้ผ่านอีย ป, ประเทศเดียวนะอียิปต์จะเป็นประเทศสุดท้ายแล้วก็ผ่านมาจากข้างล่างผ่านมาเมื่อกี้ประเทศแล้วมาผ่านอียิปต์แม่น้ำไนน์เวลาผ่านจะผ่านหลายประเทศถ้ามีความแห้งแล้งเกิดขึ้นบริเวณกว้างขนาดนั้นเนี่ยอดยากกันหมดเนี่ย ไม่น้ำนายน่าจะมีปัญหาอียิปต์ก็แห้งแล้งเหมือนกันแต่ว่านบิยูซุเก็บสเสบียงไว้อันที่เป็นการประมาณการหมดเลยพี่น้องอาจจะมีคาอธิบายอื่นที่ไม่ตรงกับตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ข้อค้นพบใหม่ๆนะครับเล่าให้ฟังอา้าวกลับมาที่ถ้าพี่น้องดูนะในอายาที่เจ็2สิบเอ็ดเจ็สิบสองเนี่ยจะมีคำว่ากอรูกอลูพวกเขากล่าวว่าพวกเขากล่าวว่าตรงนี้สะท้อนอะไรพี่น้อง สะท้อนระบบทำงานของอียิปต์ในสมัยนั้นเว ล, ลนานบียูซุปเนี่ยบอกกษัตริย์ว่าอิจญะนนีอัลาฮ์ขาวนินอัรดีแต่งตั้งฉันให้ดูแลครังของแผ่นดินเนี่ยนบียูซุปฟอร์มทีมงานจะดูแลให้อียิปต์รอดพ้นจากภัยพิบัติได้นเนี่ยต้องมีทีมงานเวลาของอาหารนาบียูซุปไม่ได้มาคนเองนะ แต่มีเจ้าหน้าที่ตรวจตาทั้งหมดเลยถ้าพี่ น, อน้นนองดูสํานวนในกัรอ่านดูให้ละเอียดนะกอลูเนี่ยสุมาตนาโมอัตินุนมีคนประกาศแต่ว่ามีการตรวจสอบละเอียดเลยเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่แค่แจกข้าวนะงานนพิยุซุปนี่ไม่ง่ายนะเราคิดว่าอ๋อเสบียงเยอะคนมาแล้วกแจกพี่น้องลองทําดูสิเปิดข้อสารนาปักซ้อแล้วแจกคนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะ่ะข้าวแจก ประเด็นการจัดการล้วคนสมัยก่อนมาทั่วทิศทางเป็นใครบ้างกับพมาค้างในอียิปต์มันจะมีปัญหามันจะทะเลาะ ก, กันไหมมันจะขโมยของกันไหมฉะนั้นนบิยูซุปวางนะครับบอไว้ดีมากของหายปุ๊บพี่น้องที่ดูมีคนประกาศเลยซุมอัจนาโมอัตินุนมีคนประกาศเลยพอประกาศเสร็จทําไมเอ่ยดูในอายาที่7จบสกอลู น, กนักิดูสุวอันมาลิก มีคนบอกว่าแก้วน้ำของผู้ปกครองเนี่หายไปกอรูเนี่แปลว่าหลายหลายคนกล่าวว่าเป็นคณะทํางานของหายปุ๊บเจอปับ๊บแล้วก็ชี้ได้ด้วยว่าที่หายนะ่ะคืออะไรล่ะภาษา ส, สวยๆ ว, ว่ า, ว า, ว า, วาคนมีอำนาจก็กินนะ่ะเป็นจองแบบเนี้ยหายแล้วบอกด้วยวอะไรหายชี้ได้เลยกอรู เป็นคณะทำงานที่นาบิยูซุปวางไว้ความปลอดภัยนี่ในอียิปถือว่าอันดับหนึ่งนะไม่ใช่ในสภาพปกตินะที่มีความปลอดภยัยในสภาพที่ไม่ปกติที่อื่นแห้งแล้งกันหมดอดอยากกันหมดแล้วมุ่งหน้ามาที่อียิปพี่น้องนบิยซุปเป็นแค่หนึ่งในลหลายๆคณะมาที่ไหนมากันมาลูกพ่อพันแม่พุ่งมาที่อียิปมหาสเสบียงเนี่ยนะครับ เรื่องความปลอดภัยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากพี่น้องถ้าพี่น้องกลับไปดูในรายละเอียดผมจะเล่าให้ฟังตอนที่พี่น้องมาครั้งแรกอันนี้มาครั้งที่สองนะมาครั้งที่หนึ่งเนี่ยได้สเสบียงกลับไปแล้วก็เวลากลับไปถึงที่บ้านตัวเอไปฮันดา บ, บิยากรูเปลวกอรูยาอาบารามานาเบกีพ่อจ๋านะราจะเอาอะไรอีกฮาดิฮีบิดอาตุนาฮุดดัดอิเลานา ข้าวของที่เราทําหายไปเนี่ยส่งคืนกลับมาในกระเป๋าในย่ามของเราบอกกับพ่อว่าอียิปต์ปลอดภัยมากไม่ต้องกลัวเพราะว่าขนาดของตัวเองหายเนี่ยส่งคืนกลับมาได้แปลว่าระบบความปลอดภัยเยี่ยมมากในอียิปต์ตอนนั้นนาย บ, บิยูซุปจัดการของหายกลับมาถึงบ้านอา้าวของมาแล้วแปลว่า ไอ้เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าของหายตอนไหนได้คืนตอนไหนแต่มาถึงที่บ้านเปิดนาปรากับว่าของคืนกลับมาแล้วมีคนดูแลความปลอดภัยอย่างละเอียดนะจนกระทั่งว่านาบียะกรูปเนี่ยไม่เคยมาหยิบพี่น้องอยู่ที่เปลเลสไต์พอครั้งที่หนึ่งกลับมาเนี่ย่วงพอพี่น้องกลับมาอันนี้ผมย้อนให้ฟังนะพี่น้องพี่น้องนบีซุบกลับมาบอกว่าพ่อคราวหน้าถ้าจะไปเนี่ย ทำไมเอ่ยเอาบิญญามียนไปด้วยน บ, บียะกรบบอกโหกลัวว่าน้องจะอันตรายพี่น้องเลยบอกว่าที่พูดเมื่อกี้กอรูอบาอบายานามานลาภีพ่อเจ้าอะไรอีกของหายเนี่ยบิดอตูนาของของเราที่หายไปรุดดัตอีเลนายังส่งกลับมาเลยแล้วคนทำไมจะไม่ปลอดภัยของยังไม่หายเลยพอน บ, บียะกบทราบเห็นภาพข้อข้าวตรงนั้นเนี่ย ครั้งที่สองก่อนที่จะมาอียิปต์นบิยากุปสั่งลูกว่าอย่างไงว่ดโคลูมินอบบวาวินมุตตาฟาริกะเวลาไปอียิปต์ครั้งที่สองอย่าเข้าประตูบานเดียวให้แยกกันเข้าเนื้อหาของสัปดาห์ก่อนหน้านี้นาะยผมทวรให้ฟังทําไมนบิยากุปต้องสั่งแบบนั้นหนึ่งนบิยากุบทราบเลยอียิปไม่ธรรมดา ให้ความ ส, สนใจเรื่องความปลอดภัยให้ความสําคัญมากของหายชิ้นนึ่งส่งคืนหาเจ้าของถูกพี่น้องคิดดูถ้าวันนี้เนี่ยอยู่กันประมาณ50คนเนี่ยมือถือหายเนี่ยพี่น้องทราบไหมของใครไม่ทราบมือถือใครครับสีขาว iPhone ยังไม่ทราบของใครเลยแต่หาย50กว่าคนแต่สมัยนบียักุบเนี่ยนะพี่น้องคิดดูสมัยนบียูซุปเนี่ยของหายส่งคืนย่ามตัวเองคิดดูขนาดไหนนบะียักุบสั่งเลยไปข่าวต่อไปเนี่ย ทำไมเอ่ยวัดดอครูมินอั บ, บาวามินมุตัฟ่าไรกะอย่าเข้าประตูบานเดียวแยกกันเข้าไปสิบเอ็ดคนรอบที่สองอย่าเข้าประตูบานเดียวให้แยกกันเข้าทำไมล่ะถ้านาบิยักุกความที่ฉลาดมองว่าถ้าอียิปต์ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยขนาดนี้นะถ้าไปกันเป็นกลุ่มๆเดียวแต่งตัวเหมือนกันเป็นกลุ่มใหญ่เข้าไปแล้วเนี่ยจะถูกจับตา เพราะมันมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยไปแบบคณะใหญ่ๆสิบเอ็ดคนแต่งตัวเหมือนการแตกหน้าเนี่ยแล้วก็มาอีกเนี่ยอาจจะมีปัญหาให้แยกกันเข้าเนบิยากรุปไม่เคยมาอียิปต์แต่พอทราบเหตุการณ์ละเอียดเลยแยกกันเข้าการที่บอกว่าให้เข้าประตูแยกกันสะท้อนภาพไปเห็นว่าเมืองที่เน บ, บิยูซุอยู่ขนาดนั้นเนี่ยจะเป็นเมนฟิสจะเป็นอะไรกันแล้วแต่นะ มันหลายทัศนะเป็นเมืองที่ใหญ่ไม่ได้มีประตูบานเดียวมีหลายประตูพี่น้อง11คนแยกกันเข้าได้พี่น้องกิดดูมีกี่ประตูกรุงเทพมีกี่ทางเข้ากรุงเทพเนะ่ยอาจจะไม่ถึงสิบทางนี่ ม, ม, มหานครในปัจจุบันนะแต่ว่าอียิปต์นสมัยนบีนบียูซุปเนี่ยพี่น้อง11คนแยกกันเข้าได้ บางคนบอกประมาณสิบประตูเบญเยมีเนี่ยไม่ให้เข้าเดียวให้ไปกับพี่คนหนึ่งเอาตีว่าสิบประตูแล้วกันอย่างน้อยสิบประตูเมืองในที่นบิยูซุปอยู่ตอนนั้นที่นบิยูซุปบริหางานนี่นะใหญ่มากเห็นภาพคร่าวๆอย่างคันนี้เหตุการณ์สมัยก่อนเนี่ยผมอ่านประวัตินบิยูซุปเนี่ย ถ้วยหายไปภาชน์จานหายไปชามหายไปใบหนึ่งทําไมเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เพราะวันนี้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะกลับมาอ่านเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเขาสนใจเรื่องความปลอดภัยคราวนี้สิ่งที่หายไปไม่ธรรมดาพี่ น, อน้องนาฟกีดูพี่ น, อน้องนบีซุบฮันมาแบอบกว่าอะไรที่หายไปละ่ะจะเดินทางออกนะแต่เศียรจะเดินทางออกมีคนประกาศยุติกรยุติกรของหายมีคนขโมย 11คนก็หันกลับมาว่าอะไรที่หายไปกอรูคณะทำงานบอกว่านักเกดูสิ่งที่หายไปคือสัวอัลมาลิกเป็นจอกน้ำที่รินน้ำเนี่ยของผู้ปกครองหายไปประเด็นนี้สำคัญนะพี่น้องจอกน้ำของของกษัตริย์หายไปเนี่ยมีสองทศนะนะหนึ่งคำว่ามาลิกตรงนี้เนี่ย หมายถึงใครหมายถึงมาลิกจริงๆหรือว่าหมายถึงน บ, บิยูซุปสองทัศนะนะถ้าหมายถึงมาลิกจริงๆเนี่ยประเด็นนี้เป็นคดีใหญ่เลยถ้าพี่น้องยังไม่ลืมมีชาวคุกสองคนที่ติดคุกพร้อมนา บ, บียูซุปจำได้ไหมทำคดีอะไรบ้างคนที่หนึ่งเป็นคนลินเล่าให้กริย์แล้วถูกกล่าวหาว่าวางยาพิษติดคุก สุดท้ายสืบไปสืบมาพ้นผิดกลับไปทำหน้าที่เดิมอีกคนหนึ่งเป็นคนเตรียมอาหารให้กับกษัตริย์ที่ฝันว่ามีทำขนมปังอละมีกามาฉีกัวสุดท้ายถูกประหารชีวิตแก้วน้ำกษัตริย์หายไปเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะว่าเคยมีคดีคนติดคุกมาแล้ววางพิษวางยาพิษในกษัตริย์ในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพราะบอกว่าสวุวอันเาลิก ภาชนะใส่น้ํากษัตริย์หายไปเนี่ยมันไปโยงกับคดีเก่าใครดูแลใครปลอดภัยคดียาพิษเก่ายเคลียไปแล้วแล้วจอกน้ําหายไปเนี่ยเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวกษัตริย์มีความสําคัญถ้าไปน้องไปดูในเอเชียเนี่ยพวกจงกษัตริย์จีนเนี่ยภาชนะทําจากเงินเลยเพราะทํำไมล่ะเวลาใส่ยาพิษไปเนี่ยเงินมันจะเปลี่ยนสีตะเกียบเนี่เป็นเงินเลย พอจะกินเนี่ยจิ้มก่อนตะเกียบจิ้มจิมดูเปลี่ยนสีไหมถ้ามียาพิษเงินจะเปลี่ยนสีฉะนั้นแก้วน้ํากษัตริย์บหายเนี่ยไม่ใช่คดีเล็กนะเป็นคดีใหญ่เป็นคดีความมัองคงคดีใหญ่นี่คือทัศนะที่หนึ่งถ้าบอกว่าคําว่ามาลิกตรงนี้หมายถึงกษัตริย์จริงๆเนี่ยคดีนี้คดีใหญ่เลยเพราะที่ผ่านมาเคยมีคดีวางยาพิษกริย์โดยใส่เนี่ยในน้ําที่เสิร์ฟกริย์มีมาแล้ว ประเด็นที่สองทศนะที่สองคำว่ามาลิกตรงนี้ไม่ได้หมายถึงกษัตริย์จริงๆแต่หมายถึงนบียูซุฟก็อ่านใช้คําว่ามาลิกเพื่อเป็นการให้เกียรตินบียูซุฟว่ามีอํานาจในตอนนั้นในอิบเนียมอำนาจเหมือนกับเป็นกษัตริย์เลยมีอํานาจที่มีตําแหน่งที่สําคัญที่สุดคือดูแลสเสบียงจากอายะห์ตรงนี้เนี่ยบางคนอธิบายว่า ตอนเด็ก เ, เคยฟังประวัติไหมนบียูซุปได้ตําแหน่งอะไรเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นคนดูแลครังบางคนบอกนบียูซุปเป็นกษัตริย์พ่อมาเจออาญา น, นีมีคําว่ามาลิกจริงๆนบียูซุปไม่ได้เป็นกษัตริย์นะดูแลครังแต่ว่าเขาอ่านมานทีเรียกนบียูซุปให้เกียรติใช้คําว่ามริกแต่นบียูซุปไม่ได้เป็นกษัตริย์อันนี้คือสองทัศนะนะโดยส่วนตัวผมเห็น ผมเอียงมาทำทัศนะที่สองซึ่งอาจจะผิดก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยเอียงนักวิชาการมีสิทธิแสดงความเห็นส่วนตัวอาจจะไม่ถูกกระไดยแต่ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกไม่ได้ตกศาสนาไม่ได้ตกมุสลัดไม่ได้เป็นกาเฟตมัลึกตรงนี้หมาดินงใครไม่ได้เรื่องใหญ่นะมองว่าตรงนี้เป็นนบียูซุปเพราะว่าของนบียูซุปหายเนี่ยนบียูซุปถึงมีสิทธิ์ที่จะกักตัวบิญญามีนไว้ ตามกฎอีบในสมัยนั้นใครขโมยของถ้าถูกจับได้ต้องการเป็นทาสของเจ้าของทรัพย์นี่คือสาเหตุที่ผมเอียงมาทางนี้นะแก้วน้ำหายไปแก้วน้ำส่วนตัวของผู้ที่มีอำนาจหายไปไม่ใช่จานแก้วนี่หายไปไม่เป็นคดีใหญ่แต่อีบตอนนั้นเป็นคดีใหญ่นบีสุ ป, ประกาศว่า นะครับคณะทํางานประกาศว่าวอลิมันยาบบฮีใครที่สามารถเอาภาชนะนี้มาคืนได้นะเฮมลูบาอีรินจะได้สะเบียงอีหนึ่งอีหนึ่งส่วนถ้าจําได้เนี่ยนะครับในระยะที่ผ่านมาประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนที่มาที่อียิปต์หนึ่งคนได้ได้สะเบียงหนึ่งส่วน นี่เป็นสาเหตุที่พี่น้องมากันทีสิบคนเลยพี่น้องนาบิยูซุปมากับเกือบหมดบ้านทิ้งบิญญามินไว้คนเดียวเพราะว่าเวลาคำนวณแล้วคำนวณตามคนที่มาขอมาหนึ่งคนได้หนึ่งส่วนมาสิบคนได้10บส่วนนะจะบอกว่ามาคนเดียวแล้วที่บ้านมีคนอีกสิบคนใช่ไหมไม่เชื่อมากี่คนได้เท่านั้นคณะทํางานประกาศถ้าใครเอาคืนได้นะหามาคืนได้จะได้ะเปียอีกหนึ่งส่วน ก็แปลว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีความสำคัญไม่ได้หาเจอแล้วก็จบกันไม่ใช่ประกาศรางวัล น, นำจับใครหาได้ได้เสบียงฟฟีอีกหนึ่งส่วนวะนาบิฮีซัยมนบิยูซุปเป็นผู้ประกันเองเลยฉันนะครับประกันเองว่าใครหาได้ได้อีกหนึ่งส่วนอันนี้เป็นแสดงให้เห็นว่านาบยูซุปทาไมเอ่ย มีผู้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ขาดในการจัดการโดยหารงานทั้งหมดเลยพี่น้องไม่ใช่แค่แจกค่าคนเดียววางแผนทั้งหมดดูแลความปลอดภัยมีทีมทำงานมีการตรวจสอบแล้วก็มีอำนาจในการเนี่ยพิจารณาคาดีเฉพาะถ้าหาได้ชันแถมีหนึ่งส่วนถ้าไม่มีอำนาจจริงทำไม่ได้นี่ตัวอักษรี่ก่านเล่าให้ฟังในะพี่น้องสะท้อนอะไรหลายอย่าง ในภาษาไทยแปลว่าขันน้ำของกษัตริย์หายไปฟังดูธรรมดามากขันน้ำหาที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะสุวาบิมะนาซิกอยะเป็นที่ดินน้ำกินส่วนตัวเลยมีราคาแพงแล้วก็เป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะเป็นของใช้ส่วนตัวของผู้ที่มีอำนาจอายาที่เจ็ดสิบสามครับกอรูตลัลลฮิพพอประกาศแบบนี้เลย พี่น้องนบยูซุบบอกว่าต้อลรับขอสาบานต่อลรัแล้วก็อาิมตุมพวกท่านก็ทราบดีมายินาลินุฟซิดาฟินอับดิเรามาที่นี่เนี่ยไม่ได้มาเพื่อสร้างปัญหาสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินว่ามากุนนาซาริกีนเราไม่ใช่คนขี้ขโมย เพราะทำไมล่ะมาครั้งนี้ไม่ได้มาครั้งแรกมาครั้งที่สองจำได้ปา่ามาครั้งแรกเนี่ยนายตรอดบอกก็อ่านไม่ได้บอกนายตรอดบอกว่ า, ม, วามีคนตั้งข้อหาว่ามาเนี่ยเป็นสายสื่อเป็นสายลับหรือเปล่าเพราะอีบตอนนั้นใครก็เข้ามาได้แล้วก็กังวลว่าเออนัดจักข้างๆส่งมาเพื่อสื่อความลับหรือเปล่า มาครับดิล่ถูกถามละเอียดเลยพี่น้องมีกี่คนละ่ะทําไมไม่เอาน้องมาเห็นไหมละ่ะพอเขาสืบละเอียดว่าข้อมูลนถึงหมดเลยเป็นเป็นคนมาสเสบียงจริงไหมหรือว่าเป็นสายสืบปลอมตัวมาดิ <c oughs> าล่มาถูกถามยังครอบครัวมหมดเลยมีพ่ออยู่พ่อแก่ใช่ไหมพี่น้องมีกี่คนทําไมอีกคนไม่มาสืบหมดฉะนั้นมาครั้งที่สองพี่น้องสิบคนอบดิสบอดคนอับดุลยุสุมั่นใจว่า เราไม่ใช่ขโมยเพราะทำไมล่ะอรากัตอลิมตุมมายินานลินุศิดาฟินอารัดีพวกท่านก็สืบประวัติเราไปหมดแล้วแล้วก็ทราบดีมาคราวนี้ไม่ใช่มาเพื่อสร้างปัญหาลินุศิดาฟินอารัดีนั่นตําที่ อ, อธิบายว่าหมายถึงไม่ได้มาเพื่อเป็นสายสืบมาเพื่อขอสเสบียงจริงๆวามากุนนาซาริกีนและเราก็ไม่ใช่คนขโมย พวท่านทราบดีเรามาันด้เป็นแบบนั้นเพราะครั้งที่แล้วมาไม่มีปัญหาอะไรเลยให้ประวัติตรงจริงทุกอย่างและครั้งที่แล้วบอกว่าถ้าจะเอาอีกตำพาน้องมาวันนี้ก็พาน้องแท้ๆมาทุกอย่างเป็นไ ป, นปนตามระเบียบก็ตกลงทั้งหมดเลยฉะนั้นเรามาได้มาสร้างปัญหาเราไม่ได้ขโมยนี่คือสิ่งที่พี่น้องนบิยูซุพูดในอายาที่อายาที่เจ็ดสิบสากอลู คณะทำงานของนายยูซุบก็กล่าวว่าฟามายซาอูห um ูอินกุลตุมกาดีบินถ้าผิดจริงล่ะคุณยืนยันว่าคุณมาเด็กขโมยมาเด็กสร้างปัญหาแล้วอะไรคือสิ่งตอบแทนถ้าถูกจับได้จะลงโทษยังไงถ้าคุณโกหกเนี่ยถูกจับได้จะลงโทษยังไงนี่คณะทำงานนะนะครับเป็นระบบมาก ของหายสาปปุ๊บเสร็จแล้วตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบนี่นบียูซุปไม่ได้ลงมาทำโดยตรงนะแต่มีทีมงานจะเอาอยัางไงล่ะและถ้าผิดจริงจะโดนลงโทษยังไงถ้าคุณโกหกนะครับอา้าวกอลูนะพี่น้องของนบียูซุฟก็กล่าวว่ายะซาอูฮูมันวิจดาฟิรห์ลีฮีวะฮูยะซาอูฮู พี่น้องบอกว่าถ้าของที่หายเนี่ยเจอในสัมภ า, าระของใครคนนั้นแหละถูกลงโทษกาซาลิกานนเจซิจอนีมินเช่นนั้นแหละเราทำไมเอย่ยลงโทษผู้ที่กระทาความผิดผู้ที่อาธรรมของหายประกาศของหายสิบอคนหันมาบอกว่าเราไม่ได้ขโมย พนักงานตรวจสอบบอกว่าถ้าเจอเจ้ายัางไงสิบเอ็ดคนบอกว่าเจอที่ใครลงโทษคนนั้นถ้าเป็นเราเราก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะอ้าวตกลงชัดเจนนะถ้าเจอของนะ ลงโทษตามกฎระเบียบซึ่งทราบดีว่าการลงโทษคือคนขโมยต้องกลายเป็นทาสของของเจ้าของทรับฟาบาดะอาบีเอาอิยะติหิมก็เริ่มค้นของเลยเพอบอกของหายแน่นอนเจ้าของสัมภาระเจ้าของอย่างบอกฉันไม่ได้ขโมยค้นเลยเจอที่ใครเอาผิดคนนั้น เต็มที่เราก็ลงโทษแบบนี้เหมือนกันฟา บ, บาดอาแล้วก็เริ่มคนเบอาอียาติฮิมเอาอียาแปลว่าภาชนะอาจจะเป็นย่างเป็นเป้เปอะไรกันแล้วแต่ของคนในสมัยนั้นกอบลาวีอาอีฮีคนเนี่ยนะครับในคณะนบิยูซุปมีสิบเอดคนคณะพี่น้องนบิยูซุป เวลาค้นเนี่ยบลเอาอียาติหิมเริ่มที่คนอื่นก่อนนะกอบลาวิไออาคีที่บินเยมีนเนี่ยว้คนสุดท้ายสิบเอ็ดคนใช่ามากของหายพนักงานบอกว่ากลุ่มนี้แหละอินนากุมลาซาริกูนขมโมยอยู่ในกลุ่มนี้พี่น้องบอกว่าไม่ต้องเหมาทั้งหมดค้นเลยเดียวละคนเจอดีใครเอาผิดคนนั้น เริ่มคน้นสิบคนอื่นก่อนที่ไม่ใช่เบญามินเนี่ยคนที่หนึ่งค้นคนอา้าวไม่เจอผ่านคนที่สองผ่านคนที่สิบผ่านแต่ว่าคนที่สิบเอ็ดของพิญามินพอค้นแล้วทำไมเอ่ยซุมมัสต์คาทยาฮามินวีไออะคีฮิพอเปิดของพิญามินเจอของพอเปิดที่เิญามินเจอของ กาดาลิกาคิดนาลียูซุฟ่าอัลลอฮ์บอกว่าเช่นนั้นแหละทาไมเอ่ยเราเนี่ยให้ยูซุฟวางแผนแบบนั้นเราวางแผนให้กับยูซุฟแบบนั้นแปลว่าบิญจามินขโมยไหมบิญจามินขโมยแต่ว่าทําไมล่ะเป็นแผนการในบิยูซุฟกิดนาตรงนี้เนี่ยนะครับมาจากคาว่ากาดาแปลว่าแผนการอัลลอฮ์วางแผนให้ในบียูซุฟ ในตําแสทิบาเป็นการอิทธาล์โดนใจนบียูซุปสถาน ก, การณ์มันลานะํนาบากนะนบิยูซุปอยากเจอน้องปรากฏว่าพี่มาสิบคนบิญญามีนไม่มาทํายังไงอยากให้บิญญามีนมาตั้งเงินไขว่าต่อบิญญามีนมาให้ได้วันนี้บิญญามีนมาแล้วนบิซุปดีใจมากก่อนจะเกิดเหตุการณ์ค้นกระเป๋าเนี่ยนบิยูซุปแอบไปหาบิญญามีนก่อนนะแล้วก็บอกว่ากอล่อินเนียอาาอาคูกา ฉันคือพี่ของท่านฉันคือยูซุปอย่าเสียใจบียมินทราบอยู่แล้วว่านี่คือยูซุฟแต่สิบคนทราบมาสิบคนไม่ทราบฉะนั้นทำไมต้องบอกก่อน่ะถ้าไม่บอกก่อนตกใจตายเลยเจอคดีขโมยของเปิดมาดนย่าเบิยาม์ยมินเจอของตกใจตายแต่ว่าบิยมีนตรงนี้ไม่ไมกลัวแล้วเพราะว่านาบิยูซุปมากระสิบแล้ว ฉันยูซุปเองนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจเราพี่น้องจะได้อยู่ด้วยกันนบะียูซุปอยากให้เบญามินอยู่กับตัวเองทํำยังไงอลัลลอฮ์ก็เลยวางแผนให้กิดนาการดาและกากิดนาเรียูซุปอัลลอฮ์วางแผนให้าาาาาใหทาแบบนี้เจอในเบญามินพอเจอที่เบญจมินปุ๊บทํำยังไงละ่ะพี่น้องทําไมเอ่ยพี่น้องปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะเมื่อกี้บอกเองว่าทําไมละ่ะ กอลูยาซอูฮุมันวูยิดาฟิรักลีฮิวะฮูายาซาอูฮูเจอที่ใครเอาผิดที่คนนั้นพูดเองแล้ววันนี้เจอที่บินยามีนก็แปลว่าบินยามียนต้องถูกจับเป็นทาสให้กับเจ้าของทรัพย์เจ้าของทรัพย์คือใครคือนบียูซุฟอลัยสลามงานนี้มาสิมาส1บนคนกลับได้สิบคนอีกคนหนึ่งกลับไม่ได้เพราะทําไมละ่ะต้องอยู่เป็นทาสนาบียูซุฟนี่ที่น้องเป็นแบบนี้ ครั้นี้ไปกันใหญ่เลยเพราะว่าทําไมละ่ะพี่น้องนี่เขียนเลยเพราะก่อนจะมาพ่อสั่งแลว้วถ้าทําผิดอีกครั้งหนึ่งในบียากรูเอาตายแน่เพราะตอนเด็กๆ เ, เอายูซุปหายไปไอ้สิบคนนี่แหละลำปากนา น, นานูอุสบาตุนเราอยู่กันเยอะหมาป่ามาเราจะคุ้มครองยูซุปเองเป็นไงละ่ะยูซุปหายรอบนี้โตเป็นผู้ใหญ่แลว้ว บอกว่าเราจะดูแลบิญามินเองไปไปมาบิญามินถูกจับเป็นทาสแล้วจะกลับไปเจอพ่ออีกทีนึงโอ้โหจะบอกกับพ่อว่ายัางไงเพราะว่าสัญญาสาบานเป็นมั่นเป็นเหมาะทุกอย่างเลยบิญามินดูแลให้ดีเพราะว่ตศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยยังไงจะน้องกลับมาโดยปลอดภัยไปไปมาน้องกลับไม่ได้เพราะทําไมล่ะถูกคดีขโมยของซึ่งจริงไม่ได้ขโมยนั่นแต่ยิสุสวางแผนเอาน้องไว้กับตัวเอง อัลลอ์บอกว่าวามามาการนลียะคูดอคอาหูฟีดีนินมัลิกอินละอัยชาอัลลอฮ์อัลลอ์บอกว่าทำไมเอ่ยดีนินมัลิกเนี่ยนะครับในที่นี้แปลว่าศาสนาของกษัตริย์มันจะงงนิดนึงหมายความว่าในกฎระเบียบในข้อปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยถ้าใครขโมยของต้องกลายเป็นทาส นะนบียูซุฟไม่ได้ต้องการให้น้องเป็นทาสจริงๆแต่ว่าต้องการเก็บน้องไว้กับตัวเองไม่รู้จะหาข้าออ้างไหนก็เลยยัดของใส่เป้ของของบินยามินนะอิลลาอัยาชาอัลลอ์เว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นี่คเหตุการณ์นะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่านับฝาอูดรยาติมมันนะชา เรานั้นจะยกระดับให้เกียรติคนที่พระองค์ทรงประสงค์เนื้อหาเรื่องเล่าเนี่ยมันจบแค่นี้แหละในวันนี้แต่วันท้ายเรื่องเนี่ยอลัลลอฮฺบอกว่านัฟาอูดดารยาติมมันนาชาคนไหนที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮฺจะยกเกียรติตรงนี้สําคัญมากพี่น้องสิบคนไม่ประสงค์ให้นบียูซุปได้ดี อิจฉาทําไมล่ะตอนเด็กๆน้องฝันดวงดาโดที่โดนจันทร์สยู่กับตัวเองพ่อรักอยู่ซุบมากพี่น้องไม่ต้องการให้ยูซุบได้ดีทํำยังไงโยนลงบอ่อตอนแรกจะฆ่าหรยอซ้าไปสุดท้ายโยนลงบอ่อไม่ต้องการให้ไบีซุบได้ดรายาไม่ต้องการให้ได้ดีไม่ต้องการให้สูงส่งแต่ว่าม น, นุษชาอาลัลลอฮฺบอกว่าใครที่เราประสงค์เราจะยก พี่น้องไม่ยกไม่เป็นไไม่ยกไม่พอโยนลงบอยโยนให้ตําในบ่อกลายเป็นธาตุเละเทศติคุงติดคุกไปหมดเลยแต่ว่าอาลัลลอฮ์ทรงประสงค์ยูซุปสูงเพราะอาลัลลอฮ์ยกคนนี้สําคัญมากแล้วนบียูซุปพอได้ดีเนี่ยบิญญามินอยู่กับยูซุปสบายไปด้วยพี่น้องสิบคนที่ทํานบียูซุปเนี่ยภายหลังย้ายมาอยู่อียิปได้ดีได้ดีสูงเพราะว่านาบียูซุปให้อภยัย ยกขึ้นเพราะเกียรตินบิยูซุนายบิยะกุบสบายไปด้วยพี่น้องสิบคนสบายไปด้วยนี่คนที่อลัลลอฮฺประสงค์อลัลลอฮฺจะยกนะใครกดไม่ได้พี่น้องในสังคม น, นี่จําไว้เลยพี่น้องบางทีความอิจฉามันเกิดขึ้นทําไมล่ะอลัลลอฮฺลูกพี่น้องตระกูลเดียวกันหมดเลยปไปมาที่เขาขายได้ที่เราขายไม่ได้เขารวยกว่าเขาดีกว่าบางทีอิจฉาพยายามให้เขาต่ํา ความอิจฉาเกิดขึ้นในใจไม่ได้แสดงออกแต่รู้สึกในใจให้พี่น้องทราบไว้คนไหนที่เอา ล, ล่อประสงค์นะเอา ล, ล่อยกเราทําอะไรไม่ได้อิจฉาไปปวดใจเปล่าๆนาบียูซุปเอ้ยนบีมุฮัมมัดจึงบอกว่าฮะดิษนนีบอกว่าความอิจฉาอันฮสัสซัตเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับไฟกินฟืนอิจฉาทําอะไรก็ไม่ได้ถ้าเอา ล, ล่อจะยกเขาเราทําอะไรก็ไม่ได้อิจฉาเจ็บปวดใจตัวเองเขาต่ำไหมเขาไม่ต่ำเขาอยู่แบบเขาแหละ ใหญ่ฉ า, ามันเหมือนไฟกินฟืนมันกัดก่อนหัวใจตัวเองอยู่ไม่มีความสุขคนที่สูงอลลอยกนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะแง่คิดประกด็นที่หนึ่งคือใหญ่ฉ า, าใครอลลอยกเขาเราทําอะไรไม่ได้ประเด็นที่สองคนถ้าอยากจะสูงเนี่ยพี่นอ้องอย่ายกตัวเองเอลลอยกเอง เวลาไปคุยกับคนพี่น้องต้องไม่ต้องไปคุยหรอกว่าฉันดีแบบนี้ลูกฉันเก่งแบบนั้นลูกเธอสู้ลูกฉันไม่ได้ฉันแบบนู้นแบบนี้คุยงานบุญพี่น้อง ไ, ไม่ต้องไปคุยหรอกเราอย่ายกตัวเองเพราะถ้าเราดีจริงอัลลอฮ์ยกให้สูงพี่น้องอัลลอฮ์ยกใครทําอะไรไม่ได้นะอย่ายกตัวเองทําตัวให้ดีเราจะสูงเพราะว่าอัลลอฮ์ สบายเลยพี่น้องถ้าคิดแบบนี้ได้ด้านหนึ่งไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องทุกข์ใจสองไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยไม่ต้องมาคุยกับคนบอกว่าฉันดีแบบนั้นฉันดีแบบนี้ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอยู่เฉยเฉยไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าจะอลัลลอยกอลัลลอยกเองใครบ้างที่อลัลลอยกเกียรติพี่น้องคนที่ให้เกียรติคนอื่นคนที่ทําความดีคนที่ศึกษาอิสลามคนที่สอนอิสลามถึงเวาลายกอลัลลอยกเองไม่ต้องเหนื่อย ถ้าเรายกตัวเองเนะี่ยเหนื่อยไม่เหนื่อยพี่น้องลองยกตัวเองดูสิเหนื่อยเจอใครต้องคุยเจอคนก็นต้องบอกอยู่เฉยๆอัออลลอยกเองแง่คิดตรงนี้ได้มาจากประวัตินบียูซุฟพี่น้องทั้งหมดไม่อยากให้ได้ดีแต่อลัลลอยกพี่น้องทําอะไรไม่ได้นะแล้วถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตนบีต่างๆเป็นแบบนี้หมดเลยนบีบรหิมัลฮิสลาม จะเผาให้ตายให้ดูชุดไฟโยนเข้ากองไฟจะเผาให้ตายแต่ไม่ตายยาแนลากูนีบรัดาวสัลามานาลันอะไลบรารฮิมไฟย็นเฉยเลยน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยเด็กกำพ้าคนทํำนู่นทํานี่กานแก้มุสลิมบิลงบิล้านที่ถูกแย่เลยแต่ว่าเวลาลอร์ยกบิล้านนะบิลานที่เป็นม้อนดินคนแรกของอิสลามเนี่ยเวลาพิชิตมักกาเนี่ย ธาตผิวดำที่คนแบบแก่งกันแบบนู้แบบนี้แต่วันที่พิชิตมกะคนมายืนให้บีล้านเหยียบเพื่อจะปีนไปที่หลังคากาบะเพื่อไปบังธาตผิวดำที่ต่ําต้อยเนี่ยคนกดให้ต่ําแต่วลนเราเอาล้อยกในพี่น้องเหยียบไหลฉัน้นเหยียบหัวชันสี่ปีมาที่กาบะบิล้านอาดารตอนที่พิชิตมกะบนหลังคากาบะ เวลายกอัลลอยกสูงนะครับฉะนั้นแง่คิดจากนบีอูซุปเราต้องได้นั่นนี่คือนักนัฟาอูดอรยาติมมันนาชาคนที่อัลลอยกประสงค์อัลลอยกใครทําอะไรไม่ได้แล้วก็นในท้ายอญญายะตรงนี้ก็ดีครับอูฟ า, าวก็กุลหรือดีอินมินอาลิมตัวนี้ก็ดีมากอัลลอฮ์บอกว่ากุลหรือดีอินมินทุกคนที่มีความรู้เนี่ย ศึกษาคนนู้นเก่งด้านนั้นคนนี้เก่งด้านนี้คนนู้นเก่งด้านนี้แต่ว่าเหนือทุกคนเนี่ยอัลีมอัลีมในที่นี้หมายถึงอัลลอฮ์คนจะเก่งจะรู้อะไรกันแล้วแต่แต่เก่งที่สุดรู้ดีที่สุดฉลาดที่สุดคืออันอัลีมก็คืออัลลอฮ์ฉะนั้นความรู้ที่มีเนี่ยอัลลอฮ์ให้แต่ว่าเวลาที่เรามีความรู้แล้วอย่าทะนงว่าสูงเพราะว่าว่าเฝ้ากักกุญตีอินมินทุกทุก ผู้รู้ทั้งหลายที่เก่งๆเนี่ยเหนือกว่านั้นคืออันอาลิมนะสมมติคนที่เรียนหนังสืออย่างผมเนี่ย อ, า, อาจจะอ้างเราเป็นอาลิมสมมตินนใน จ, จริงก็ไม่สมควรพูดเป็นผู้ที่รู้อาลิมผู้ที่รู้แต่ว่าไม่สามารถบอกว่าอาลีมเป็นผู้ที่รู้ดียิ่งเพราะอันอาลีมเนี่ยเป็นเป็นพนามของอลออย่างดีนี่ก็คืออาเลมนี่คือผู้รู้นี่คือตัวครูอาลลมอาลลมอาเลมแต่เหนืออาเลมทุกคนคืออันอาลีมคืออลอรู้ดีที่สุด <c oughs> ถ้าพี่น้องมาดูประวัตินาบียูซุปนะในเรื่องราวนบียูซุปมีคนที่เป็นอาลิมคนที่รู้ดีเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เยอะไปหมดเลยพี่น้องนบียูซุปก็เป็นผู้ที่มีความรู้เพราะทําไมล่ะความฝันที่นบียูซุปฝันตอนเด็กพี่น้องทราบหมายถึงอะไรไม่ได้โง่นะสิบคนนี้ไม่ได้โง่เลยฝันที่ยูซุปฝันนะครับ แล้วก็ไปบอกพ่อพ่อก็ทราบอย่าเล่าให้พี่น้องฟังสุดท้ายไป็นเราพี่น้องก็ทราบว่าฝันนี้หมายถึงอะไรอ่าเป็นคนมีความรู้ไหมเป็นคนมีความรู้มาที่อียิปต่น้องนะก่อนที่จะมาอียิปต์ตอนที่ถูกตักขึ้นมาจากบอ่อเนี่ยพ่อค้าทราบไหมพ่อค้าก็เป็นอานลิบเหมือนกันเป็นผู้ที่มีความรู้ในทางค้าขายจะขายกับใครทํากําไรยังไง นะ <c oughs> คิดไม่ว่าต่อมาเด็กที่เอาไปขายเนี่ยจะได้ดิบได้ดีขนาดนี้รู้แข่การค้าตรงนั้นแต่ว่าอาลีมที่ทราบว่าตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงเอาลอกคนเดียวดีทราบวันนะบียูซุปเนี่ยแต่ใครไปเจอเดาไม่ถูกเลยวันมันจะพลิกผันติด ค, คุกติดคุกกลายเป็นทาสกลายเป็นหนุ่เป็นหนี่สุดท้ายดูแลอิบแล้วก็ดูแลพี่น้องทั้งหมดให้อภัยพลิกหลายพลิกมากมีใครสราบไหม อาลิมทั้งหลายไม่ทราบแต่อัลอาลี ม, มาถึงอัลลอฮฺเนี่ทราบพ่อค้าก็รู้เฉพาะไอตองขายแต่ไม่ทราบว่าเด็กที่ขายปัจะได้ดีขนาดนี้นางสุไลคอเนี่ยไม่ใช่คนโง่เป็นอาลิมเหมือนกันวางแผนขนาดแล้วหระที่จะให้นบียูซุปทําการยวดยวนนบียูซุปแล้วก็เวลามีปัญหาเนี่ยเป็นอาลิมเหมือนกันนะทราบว่าจะแก้ปัญหายัางไงทําไมเราผู้หญิงในเมืองคุยกันหมดว่าปั๊ม คิดไม่ดีกับนยบิยูซุปอ้าวเชิญมาทั้งหมดเลยให้มาเจอ น, นบิยูซุปเองจะได้พูดไม่ออกเจอตัวจริงพูดไม่ออกมีดบาดมือกันหมดเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่พี่นอ้องนะแล้วก็ในบรรดาตอนที่กษัตริย์ฝันว่ามีงูพร้อมเจ็ดตัวกินงูอ้วนเนี่ยรอบตัวกษัตริย์ก็มีอาลิมมีผู้ใกล้ชิดกษัตริย์ปรึกษาแก้ปัญหาไม่ได้สุดท้ายอันอาลิมอัลลอฮ์เนี่ยสอนนบิยูซุปทํานายฝันได้เห็นไหมละ่ะ ในเรื่องราวอบดุยูซุฟมีอัลลมเต็มไปหมดใ น, ด, น, ด, นด้านนู้นด้านนี้และสุดท้ายเนี่ยความรู้ที่นบดยูซุฟได้นเนี่ย ม, ม, มันจะอันลลิมมาจากอัลลอฮ์และก็เป็นความรู้ที่มีประโยชน์กับทุกคนให้ข่าวแจกสเสบียงทำให้คนไม่อดตายเนี่ยอันอัลลิมอัลลอฮ์ให้นบดยูซุฟฉะนั้นนะครับเวลาที่เราบางทีมีความรู้เพิ่มขึ้นมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นทุกคนเนี่ยผมถือว่าเป็นอัลลมหมดนะอัลลิมด้านการค้าขายอัลลิมด้าน นั่งก๋วยเตี๋ยวอัลลีมดั้ง ร, รมโรตีมีความรู้เฉพาะทางหมดเลยแต่ว่าให้ทราบว่าทุกความรู้ที่มีเนี่ยเนื้อกว่า น, นั่นคืออันอัลีมอันอัลลีมก็คืออัลลอฮ์นะครับอันนี้คือแง่คิดจากสองประโยคท้ายอายะที่เจ็ดสิบหกในช่วงท้ายของเวลาเนี่ยนะครับเออประมาณยี่สิบนาทีพร้อมทวนเนื้อหายนิดหนึ่งนะเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะครับตั้งชื่อว่าของหายถ้าใครไม่เคยฟังมาก่อนมาอ่านมันจะงงเลย อะไรทับซีดมีของหายด้วยนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันโยงพอพูดแล้วต้องย้อนกลับไปเยอะนะของไม่ได้หายจริงแต่น บ, บิยูซุปทาให้เหมือนกับมีของหายเกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาตัวบินจมีนไว้กับตัวเองนะ <S <S เหตุการณ์ในครั้งนี้พี่น้องเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นความฉลาดของน บ, บิยูซุปจริงๆนะอัลลอฮฺบอกว่ากษัตริย์เลกคิดนาเลยูซุปเราวางแผนให้ยูซุป ทุกอย่าง อ, า อ, อัลลอฮ์อิลามหมดแต่ว่าความฉลาดของนบีอูซุฟเนี่ยเราเห็นหลายครั้งมากพี่น้องเห็นหลายครั้งมากครั้งที่หนึ่งพี่น้องไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งที่เคยเห็นมีอะไรบ้างตอนที่กษัตริย์เชิญนบีซุฟออกจากคุกเพื่อที่จะทําไมละ่ะไปทําหน้าที่สําคัญนบีซุฟไม่ออกนอกจากจะเคลียร์คดีที่ผ่านมาก่อนว่าฉันไม่ได้ล่วงเกินไม่ได้ทรยศต่ออาซิซไม่ได้คิดไม่ดีกับ ทรรยาเจ้านายตัวเองเป็นความฉลาดเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยคนต้องการตัวที่จะไปเอาไปช่วยหรือเอาไปใช้งานแต่ในบียูยุสุยื่นข้อเสนอเป็นความฉลาดมากนะนอกจากนั้นถ้าอยากจะทราบไม่ต้องไปสืบที่ไหนให้ไปถามผู้หญิงคนไหนก็ได้ในเมืองพอถามแล้วทราบพอดีทั้งหมดเลยนี่คือความฉลาดในบียูซุสความฉลาดต่อมาพี่น้องเทียบกันเลยนะบียูซุกับพี่น้องเนี่ย สิบคนสิบอ็ดคนสู้น บ, บียูซุปไม่ได้นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่พี่น้องสิบคนมาเจอน บ, บียูซุปยังจำไม่ได้เลยวันนี้คือยูซุปสิบคนพี่น้องสิบหัวรวมกันสู้หัวเดียวไม่ได้น บ, บียูซุปจำได้ตั้งแต่คราวที่แล้วเข้ามาปุ๊บจำแด้ปั๊บนี่คือพี่น้องฉันไอ้พี่น้องตัวเองจำทำไมจาไม่ได้และก็ไม่ใช่อยู่ไกลๆนะมีการพูดคุยกัน อา้ามีกี่คนมีน้องอีกคนใช่ไหมทำไมไม่มาอ๋อน้องดูแลพ่อมีพ่อแก่ใช่ไหมไม่ได้เห็นไกลๆนะพูดคุยกันเร็วแต่จํานบิยูซุปไม่ได้ครั้งที่สองยังจำไม่ได้เนี่ยครั้งที่สองันเนี่ยยังจำนบิยูซุปไม่ได้เลยแต่ดัียูซุปจาได้แต่แต่ครั้งนูน้นเห็นปุ๊บจําได้นี่คือพี่น้องของฉันความฉลาดเนี่ยเปรียบเทียบกันเลยสิบหัวสู่หัวเดียวไม่ได้นะแล้วก็คิดดูล้กันตอนนี้ เจอพี่น้องแล้วอยากจะเจอน้องชายอยากจะเจอพ่อทำยังไงจะเปิดเผยก็ไม่ได้นะน้องชายอยู่บปอร์เซียใตน้นู่นพ่ออยู่เปอร์เซียใจะเอาน้องกับพี่มาหาตัวเองทำยังไงขั้นตอนที่หนึ่งวิญญามีนต้องมาก่อนตั้งเงื่อนไขคันนี้ให้สเสบียงครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองนะ ครั้งที่หนึ่งให้สะเบียงแต่ครั้งหน้าถ้าจะเอาสะเบียงน้องชายต้องมาเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้น้องชายมาแล้วจะทำยังไงให้น้องชายอยู่กับตัวเองเนี่ยใช้สิทธิ์ในการที่เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ถูกขโมยเอาตัวบิ ญ, ญามินไว้กับตัวเองได้เป็นไงล่ะนะครับแล้วก็ เวลามีคดีเกิดขึ้นเนี่ยไม่เหมานาสิบเอ็ดคนเพราะที่อยากเจออยากเจอปีเยมีให้สิบคนเนี่ยกลับไปเพื่อที่จะเอาพ่อมาเดี๋ยวครั้งที่สามเนี่ยจะเอาพ่อมาด้วยนะแผนการเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจะทํำยังไงให้สําเร็จตามเป้าหมายนี่คือนบิยูซุูฉลาดมากนะแล้วแผนที่วางพี่น้องความฉลาดตรงนี้ไม่ได้ใช้เพื่อทําร้ายใคร คนบางคนหัวหมอมีความฉลาดความฉลาดที่นี้พี่น้องเอาเปรียบคนอื่นแต่ในบีวซุปไม่เอาเปรียบใครทำเพื่อให้น้องอยู่กับตัวเองพี่สิบคนเนี่ยไม่เคยรอนเลมนะมากี่ทีได้สเสบียงทุกครั้งครั้งนู้นก็ได้ครั้งนี้ก็ได้แต่อน้องมักับตัวเองปล่อยกับไปเพื่อเอาพ่อมาและสุดท้ายความฉลาดที่มีถึงวันนั้นแล้วตอนสุดท้ายตอนจบพี่น้องพี่น้องพ่อแม่เข้ามาหานบยวซุปในบีซุบอก วันนี้ไม่เอาโทษวันนี้ไม่เอาโทษก็คือไอ้ความผิดที่ทํากับฉันเคยทิ้งฉันลงบอ่อทําตอนเด็กวันนี้วันนี้ไม่เอาโทษนี่คือนบิยูซุปฉลาดแต่ความฉลาดที่มีไม่ได้เอาเปรียบใครถ้าพี่น้องให้ความฉลาดนาบิยูซุปเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความจําเนี่ยจําหน้าพี่น้องได้เนี่ยเหนือกว่าพี่น้องสิบคนนะเรื่องไว้พิบเนี่ย ไว้พิบไอความฉลาดแบบไว้พิบเนี่ยนะครับนบียูซุปก็มีทํำยังไงให้น้องอยู่กับตัวเองทํายังไงจะเคลียร์ปัญหาแล้วก็ความฉลาดแบบเป็นระบบนบียูซุปก็มีหลักฐานก็คือไอไว้พิบในความฉลาดแบบแบบเฉาปัญญาเอาตัวรอดได้นบียูซุปก็มีแล้วก็ความฉลาดแบบเป็นระบบนบียูซุปก็มีอะไรคือหลักฐานเนี่ยการแจกข้าวแจกสเบียงให้กับคนทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานนบียูซุป เก่งจริงมันจะฉลาเอาตัวรอดนะแล้วก็ทํางานไม่ได้ไม่ใช่นะความฉลาดมีหลายแบบบางคนความจําดีให้ทํางานทํางานไม่ได้ความจําดีให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้บางคนเชาวดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ทํางานจริงจังทําได้ไม่ทําไม่ได้ความฉลาดมีหลายแบบ <c oughs> แต่ในพิยูซุปมีทุกแบบวางระบบซึ่งให้สับเบียงคนแลว้วก็จัด ถ้วยถ้วยน้ำหายแก้วน้าหายแก้วนึงเนี่ยตัวสอบเจอเลยว่าอะไรหายหายยังไงดูแลยังไงจัด ก, การยังไงให้ข้าวแจกซา บ, บีให้กับคนตรงนั้นได้ช่วยคนที่ตา ย, ดยได้เนี่ยนบิูซุสมีความฉลาดทำงานแบบเป็นระบบก็เป็นนี่คือนบิูซุสอะลัยิสลามตะกอนแค่ลอนะตอนนี้เราทร า, าบแล้วนบิซุไม่ใช่แค่รอ นะครับอาเหลือประมาณห้านาทีนะผมก็จะมาทวนอายะที่สุดท้ายเนี่ยสำคัญมากวันนี้เจ็สิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบหกเป็นเรื่องเล่าถ้าเล่าสั้นๆแป๊บเดียวนะของหายอยู่ที่ไหนอยู่ที่บบนเยมินสองประโยคจบนะครับแต่เมื่อกี้เล่าให้เห็นรายละเอียดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพี่นอ้องผมทวนอีกทีหนึ่งสองประโยคสุดท้ายในอายะที่เจ็ดสิบหกเนี่ยสำคัญมาก ประโยชน์ที่หนึ่งคือนันัฟาอูดดารายาติมมันดาชานัฟาอูแปลว่าเรายกเราในที่นี้หมายถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าคนที่เราประสงค์ที่อัลลอฮ์ต้องการเนี่ยเราจะทําให้เขาสูงเขาไม่ได้ยกตัวเองแต่ถ้าเราต้องการเราจะยกให้เขาสูง ตอนนี้สำคัญมากพี่น้องนะครับไม่ต้องยกตัวเองอย่าอัลลอ์ยกเองและคนที่อัลลอฮ์ยกเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เสียเวลาอิจฉาพี่น้องและก็เสียเวลายกตัวเองวันนี้ทราบประวัตนนินิบยูซุปเป็นนองทรแล้วนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์คนที่อัลลอ์ประสงค์อัลลอ์ยกนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่สองอัลฟาก็กุรลดินอินบินอาดีม ทุกๆอาเลมคนที่มีความรู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับสูงที่สุดเหนือทุกคนที่มีความรู้คืออันอาลีมอาลิมมีหลายคนมีหลายด้านแต่เหนืออาลมคืออันอาลีมหมายถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นผู้ที่ศึกษาความรู้ก็ดีผู้ที่ต <c oughs> อนนี้เวลาศึกษาความรู้นี่ไม่ใช่การเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้ว มันมีกิจาการวางแผนทำธุรกิจมีคอสอบรมมีนู่มินี่เต็มไปหมดความชำนาญในอาชีพเนี่ยนะครับเมื่อเราทราบว่าอัลลอ์คืออันอาลีมนะผู้ที่รู้ดีที่สุดเวลาจะขอความรู้พี่น้องขอกับอัลลอ์รับซิดดนีอินมาดูอาบนี้เนี่ยขอให้เยอะๆรับบี้โอ้พระเจ้าของฉันซิิดนีจงเพิ่มให้กับฉันอินมาความรู้ เพราะความรู้ทั้งหมดอยู่ที่อันอัลีมคืออัลลอ์นะอยากจะได้ขออัลลอฮ์เพิ่มให้กับฉันดุอาอนี้เนะี่ยพี่น้องเป็นดุอาที่ส่วนตัวผมนะขอตั้งแต่เด็กดุอาต้นอื่นมานที่ไม่ขคยจำต้นนี้ขอนะครับรับบีซิดเนอินมา ตอนนี้เรียนจบกันแล้วพี่น้องก็ยังขออยู่เพราะว่าความรู้เนี่ยมันไม่จบแค่การศึกษามีหนังสือมีประสบการณ์ชีวิตมีความชำนาญเต็มไปหมดขอทุกวันรับบซิจณนีอินมาเวลาขอตรงนี้แล้วโอ้ลอลลบปวดเพิ่มให้กับฉันในความรู้เนี่ยเตือนตัวเองด้วยว่าจะเป็นอาเล็มขนาดไหนกันแล้วแต่ไม่ต้องตะกับบดเพราะมีคนสูงกว่าเรา นะอาจจะเป็นมนุษย์โดยกันแต่ที่แน่ๆสูงที่สุดคืออัลลีมนั่นก็คืออัลลอ์นะครับสวันนี้ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้นะอบลลิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามูอะลัยกุมวาระห์มัตุลลอฮิวะบาระกาตุ